กราบบูชาคุณพระรัตนตรยัยกราบบูชาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะกราบขอโอกาสประจันท์วัฒนชัยพระจรันทร์สุรินทะร์กราบขอโอกาสพันเตแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนสาธรมิกเจริญพรพวกเราแม่ชียาติธรรมก็ พูดเรื่องดีๆสู่กันเนาะเมื่อกี้พระจันทร์สรินทร์ก็ผ่าสวดคำสุดท้ายก็ย่อมมีแต่เรื่องดีๆไม่มีเรื่องเลวเลยนะก็ตรงนี้ก็เวลาที่มีงานบวชหลวงพ่อคำเขียนก็จะสรุปง่ายๆเลยนะการบวชคืออะไรการบวชไม่ใช่เป็นพิธีกรรมไม่ใช่เป็นอะไรเลยนะ การบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าละความชั่วนะมุ่งทําแต่ความดีนะ่ตรงเนี้ยเท่านั้นเองคือบางทีก็ เ, เรียกว่ากลุ่มาอาจารย์ท่านก็ช่วยเรียกว่าท่านช่วยสรุปเนาะเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> ก็ช่วยสรุปให้มันเป็นเรื่อง น, น้อยๆนะเราก็ไม่ยุ่งยากที่จะรับเอามาปฏิบัติ คือมันไม่ได้เป็นเรื่องคาสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่เป็นเรื่องเลยที่ลกลุงหลังจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการปฏิบัติได้แน่นอนทำได้แน่นอนไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะก็อย่างครูบาอาจารย์ก็จะแบบว่าสอนนะแบบเรื่องไม่กี่เรื่องเรื่อง น, น้อยๆนะหลวงพ่อเขียนบอกว่า พับใส่กระเป๋าพกติดตัวไปได้เลย <c oughs> คือคาว่าพับใส่กระเป๋าพกติดตัวไปได้เลยเนี่ยไม่ได้มหมายถึงกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆนะไม่ใช่แต่ว่าพกติดตัวไปได้เลยอย่างในเวลาที่ในโบสถ์เนาะพวกเราเนะี่ยไม่มีโอกาสเพราะเนื่องจากว่า <c oughs> ในพิธีกรรมก็จะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นเรื่องที่พระสอนพระกันในโบสถ์เนี่ยอย่างเวลาที่ พอบวชเสร็จปุ๊บนะก็เรียกว่าพิธีกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าก็จะมีแบบว่าพระบัณฑชาท่านก็จะบอกก็เรียกว่านิสัยสกับอักรณียกิจ4 2สองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีแค่4อย่างนะคือเรื่องสี่อย่างนิสยัยรับเอามาเป็นนิสัยซะสอย่างแล้วก็อีก4อย่างเนี่ย อย่าทำเลยอย่ายุ่งเลยเพราะถ้ายุ่งเนี่ยทุกแน่ๆอย่างเงี้ยแค่นี้ยนะแค่นี้เองนะเป็นสิ่งที่เหมือนกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ภาษาในโบสถ์ก็จะกลายเป็นภาษาที่เป็นภาษาบาลีไม่เป็นภาษาไทยอย่างที่หลวงพอ่อเขียนตอนที่หลวงพอ่อเขียนท่านยังอยู่ท่านก็เป็นพระอุปชาท่านจะไม่ใช้ภาษาบาลีณตรงนี้ท่านก็จะใช้เป็นภาษาไทยที่พูดกันฟังง่ายๆฟังแล้วก็เอาไปทําได้เลย นิ ส, สัยสีอาการณียมกิจสีสีนี่คืออะไรคือเรื่องไม่กี่เรื่องนะเรื่อง น, น้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นเรื่องไหนเรื่องการกินอยู่เฉยๆนี่แหละอย่างเงี้ยอย่างอัทิเช่นนะฮะไม่ใช่อัทิเช่นก็คือเรื่องนี้อย่างเรื่องให้บินธบาตเป็นวัดอย่างเงี้ยเนาะคือเราถ้าเราดูเนาะเรื่องบินธบาตเป็นวัดเนี่ยน้อยมากเลยนะคือกลายเป็นเรื่องน้อยๆประจําปันคือแทนที่เราจะต้องไป หานู่นหานี่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะมามากินมาอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยพุทธเจ้าเองก็เสริมมาไว้นะบางเรื่องก็เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเนาะใช่ไหมเราก็ดิน้นหลนไปหาอะไรที่มันเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานมากินเนาะอย่างเนี้ยบางทีก็เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายก็ต้องไปฆ่าหมีฆ่าช้างเนาะมากินอย่างเนี้ยใช่ไหมอย่างนั้น โอ้การกินงั้นมันยากเย็นเต็มทีนะเรียกว่าเรื่องมากจริงๆหรือว่าเนาะแบบว่าเป็นไปเพื่อการประดับนะใช่ไหมฮะต้องประดับบา ร, รมีเราเนาะเป็นระดับนี้ระดับนี้ต้องกินแบบนี้แบบนี้ถึงจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งก็ต้องไปประดิษฐ์ประดอยฮนะกว่าจะได้กินเี่ยโอ้ย อัน <c oughs> นั้นคือตรงเดียนะพระเจ้าก็สอนนะเนาะให้เราแบบว่าลองหนูลองทำเรื่องในน้อยนะเราจะได้เป็นคนไม่เรื่องมาก <c oughs> อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคือครูบาอาจารย์ก็ช่วยนะช่วยสรุปชีวิตเราเนาะอย่าเป็นคนเรื่องมากเนาะทำเรื่องในน้อยนะแต่ว่าทำให้มันดีๆอย่างเงี้ย จะเป็นย hey, ังไม่ใช่ว่าทําเรื่องน้อยๆก็ทำเลอะเทอะเรื่อยไปเลยไม่ได้พิจารณาว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําอะไรต่างๆแต่ว่าควรทําไม่ควรทําบางทีด้วยปัญญาของเราเนี่ยมันก็ไม่พอนะเพราะว่านั่นคือบางทีความควรของเรามันก็ปนปะปนไปกับความอยากปะปนไปกับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หาทุกใส่ตัวนั่นนั่นคือพระเจ้าก็สรุปนะนิสัยเนี่ยรับเอาอย่างนี้เป็นนิสัยเรื่องการกินเนาะ เรื่องการอยู่ก็อยู่ง่ายๆนะโคนไม้เรือนว่างเนาะอยู่เรือนเนี่ยที่มีคนอยู่จะเข้าไปอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปไล่เขาออกซะอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําไมต้องเป็นเรือนไม้โคนว่างนะเพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่ให้มันอยู่ง่ายๆให้มันอยู่ง่ายๆให้มันอยู่ง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาสตังค์อะไรมากมายเนาะอย่างเงี้ย เราก็นึกถึงเนาะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยการนอนใต้ร่มไม้นี่โอ้ดูเป็นสิ่งที่เราก็สแสวงหานะอย่างเงี้ยก็ทําที่สังเกตดูนะคนรู้จักต่างๆก็ชอบแบบนี้นะอยู่ก็เรียกว่าอยู่บ้านร่ารวยมีบ้านอะไรใหญ่โตโอทงนะแต่พอเวลาที่ไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวชายหาดก็ไปหาที่นอนแบบอย่างงี้เนาะแล้วก็นอนแล้วก็มีความสุขนะ ดิ้นลนนะดินลนอยู่ในกรุงเทพนานๆก็ออกไปหาที่ที่มันเป็นความสุขกายสุขใจจริงๆอะไรแบบนี้ตรงนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเองก็สอนเอาไว้เรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหมนะ่มเนาะก็มีมากๆเนาะก็ปวดหัวอัะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยลองดูนะลองดูลองหัดดูลองใช้ผ้าสองสำผืนเนี่ยเนาะกางบันก็ คลองเป็นจีวรเนาะเป็นชุดนะเหมือนชุดประจมันพอเวลากลางคืนก็เอามาเป็นผ้านหะ่มเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องสะสมอะไรมากมายตรงเนี้ยเนาะคือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยลองหัดเนาะลองหัดใช้อะไรที่มัน น, น้อยๆดูอย่างเงี้ยนะก็ญาติโยมก็ถามเสมอๆนะบอกว่ามาวัดเนี่ยต้องมีชุดขาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าเออก็ จริงๆก็ไม่จําเป็นนะถ้ามีอยู่เนี่ยชุดขาวสักสองชุดเนี่ยติดกระเป๋ามาเนี่ยพอเลยนาะแล้วก็ใส่ไปก็ซักไปใส่ไปก็ซักไปสลับกันมีแค่สองชุดแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะเอาชุดอะไรดีมาเนี่ยเราอาจจะต้องเอาเสื้อผ้ามาเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็การมาวัดก็ไม่ได้มาหมายถึงว่าต้องห่มผ้าเหลืองแต่ว่านั่นคือมหัดหัดใช้นะหัดใช้อะไรที่ น, น้อยๆเนี่ยนะ เราจะได้แบบว่าไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องหยุกยาใช่ไู้เจ้าก็บอกบอกว่าน้มุดเน่าเนี่ยลองใช้ดูก่อนเนาะลองแข็งใจใช้ดูก่อนซึ่งจริงๆนั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่มาก็บางทีเราก็หาอะไรมากมายเนาะมีงานวิจัยของฝรั่งเนี่ยเขาบอกบอกว่าสตังที่เก็บสะสมมา หมายถึงว่าทั้งชีวิตเนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะเอาไปใช้กับเขาเรียกว่ายาบํารุงร่างกายเนี่ยถึงประมาณสัก 15- 2 0้อย่างนี้เนาะสิบหนี้เหมือนกับว่าคือเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสมมุติถากว่าเราขอตังค์พ่อแม่หรือว่าเรามีตังค์ใช้ประจําวันเนี่ยยีของตังค์ที่เราใช้ประจําวันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกลายไปเป็นไอ้พวก ก็เรียกว่าหยุกยาที่มันเป็นเรื่องยาบำรุงร่างกายต่างๆเนี่ยโอ้เปน็นจํานวนมากๆนะไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะทั้งชาติเรามีตังกี่ตังจะแบ่ง 15- 20% ไปกี่ล้าน20ล้านนั่นเองตานาน า, นานไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะพุทธเจ้าเองก็ได้บอกได้แนะนําแล้วก็จริงๆแล้วน้าปัสสาวะก็มีก็เรียกว่ามีคุณประโยชน์ในทางยาเนี่ยมหาศาลเดี๋ยวนี้ก็ยังวิจัยกันไม่หมด หยิบมาวิจัยกันสงสัยก็วิจัยกันนักวิจัยก็ดีนะ <c oughs> มีความสงสัยก็วิจัยแล้วก็วิจัยเสร็จก็บอกผลให้เราน้ําปัสสาวะดีอย่างนั้นน้ําปัสสาวะดีอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกนะเวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยแบบว่าบางทีเราก็ต้องระมัดระวังบางทีอย่างในโบสเนี่ยเวลาอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่า อาจจะต้องให้ญาติโยมจานวนมากเนี่ยออกไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าบางทีเราพูดเรื่องดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยบางทีญาติโยมที่อาจจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ทันได้ศรัทธาอาจจะไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเนาะเป็นนิสัยเนี่ยเขาเองก็ก็อาจจะนึกรังเกียจขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในวัดเนาะพวกเราอยู่กันตรงนี้เนี่ย คำว่าบูชาต่อบุคคลโครบูชาเนี่ยอันดับหนึ่งก็คงไม่มีใครมากไปกว่าพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ก็ยี่สิบเจ็ดเข้าพุทธ ศ, ทธศตรวตรรษที่27มาแล้วเนาะคุณงามความดีที่พุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราก็ เ, <c oughs> เอ่ยนามต่างๆเนาะของบุคคลที่เราบูชาเนาะบุคคลที่เป็นเป้าหมาย ที่เราเนี่ยควรจะเอาไว้เป็นแบบอย่างหลวงพ่อมเขียนก็แบบว่าท่านก็อยู่ให้พวกเราเนี่ยได้เป็นแบบอย่างทุกความเคลื่อนไหวของท่านทุกการเป็นอยู่ของท่านอย่างนี้เนาะอย่างนั้นหลวงพ่อมเขียนสอนธรรมะท่านเองท่านก็จะพยายามบอกพวกเรานะว่าสิ่งที่บอกที่สอนตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เอามาใช้กับชีวิตประจำวันคือท่านเองท่านท่านจะเน้นเรื่องนี้มากๆเนาะแล้วก็อย่างเรื่องที่ท่านก็บอกเสมอๆเนาะบอกว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอันนี้หมายถึงหลวงพ่อกำเขียนนะฮะอย่างหลวงพ่อเนี่ยโอกาสที่จะได้นั่งยกมือสร้างจังหวะก็ดีโอกาสที่จะได้เดินจงกรมก็ดีเนี่ยหลวงพ่อถือว่าเป็นอดิเลกราลาบอย่างเงี้ยเนาะนั่นหมายความว่าท่านเองเนี่ย ท่านจะเหมือนกับว่าทําเมื่อไหร่มีโอกาสได้นั่งยกมือสร้างจังหวะเมื่อไหร่ได้มีโอกาสจงกลมในรูปแบบเนี่ยโอ้ตรงนั้นถือว่าเป็นลาบมหาศาลของท่านเลยแต่ว่านั่นคือหมายความว่าท่านเองท่านก็จะบอกนะบอกว่าให้ช่วยโอกาสนะแค่ช้างกระดิกหูนะช่วงมูลและปลิ้นเท่านี้เองนะเฉยโอกาสเจริญสตินั่นนั่นคือตรงนี้นั่นหมายความว่าอิรลียบททั้งวันเนี่ย ที่หลวงพ่อเขียนมีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนกับได้ดูนะได้ดูท่านเป็นแบบอย่างการเคลื่อนไหวการลุกการนั่งการเคี้ยวกัรดื่มเนาะอะไรต่างๆนานาที่ท่านอยู่ทั้งวันทั้งวันเนี่ยเนาะเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องสอนธรรมได้ทั้งหมดหลวงพ่อเขียนมีจีบอนเนาะ หลวงพ่อมียงี้ยก็จะถือผ้าสำผืนเป็นจีบรแล้วพอเวลาที่อย่างอันนี้ก็แบบว่ามีโอกาสดีกว่าพวกเรานิดหนึ่งนะตรงที่ว่าได้มีโอกาสอยู่อาศัยท่านพูดตามจริงก็น่าอายเหมือนกันนะอาศัยหลวงพ่ออยู่ในกุฎเดียวกันกับหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมหากุฎใหม่เวลาที่กลางคืนนะเวลาที่เหมือนกับว่า เสรภารกิจอื่นๆกลับเข้ากุดแล้วเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็บอกจันตุ้มมีเข็มไหมมีด้ายไหมหลวงพาก็เหมือนกับว่าทํามันอย่างที่สอนนะอย่างจีบอลใช่ไหมเรามีผ้ากันอยู่ไม่กี่ผืนอย่างเงี้ยเวลาที่หลวงพ่อก็จะบอกว่าเวลาที่มันมีขาดมีอะไรเนี่ยให้รีบนะให้รีบตะให้รีบชุนให้กลับคืนสภาพเดิมนะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะขาดมากไป นะพาก็จะเสียอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยหลวงพ่อเนาะก็จนถึงเนี่ยปีสุดท้ายสุดท้ายของหลวงพ่อเนี่ยเจกว่าเนะหลวงพ่อก็ยังคงทําอย่างนี้เป็นนิสัยเพราะนั้นนั้นคือตรงเนี้ยนะคำว่านิสัยสีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็โดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่ามันก็ครอบคลุมหมดจดมากเลยนะรับเอาสอย่างนี้ให้เป็นนิสัยแต่ส่วนอื่นๆื น, นี่แบบว่าทิ้งไปก่อน หมายถึงว่าอยากเอามาเป็นนิสัยทำได้นะแ ต, แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรทำปะจจาบันก็ทำได้แต่ว่านั่นคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยการที่เราจะเหมือนกับว่ากินอยู่หลับนอ น, นกับการที่แบบว่าอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรค ก, ก็ดีเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจนะก็คือสิ่งที่บอกว่าอการณียกิจ4เนี่ย ก็คือก็คือทำไมบอกว่าไม่เป็นอาะนิสัยสีนะนั่นก็คือเหมือนเดว่าไอ้กิจอีกสีอันเนี่ยอย่าทำเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะอันที่เช่นแบบว่า ค, mm. คือเรื่องที่ไปผิดพรหมจรรย์ไปเนาะคือเรื่องที่แบบว่าอืมเรื่องการเสพเมนทะุนเนาะอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่า เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาเลยบอกอย่าทำนะถ้าถ้าเกิดทำในขณะที่เราแบบว่าถือพลมจันทร์เนี่ยเนาะมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าก็เรียกว่าหลวงพ่อชาจะใช้คำว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งนะเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งหรือว่าการที่ไปเอาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตัวเองเนี่ยแม้แต เข็มเล่มหนึ่งแม้แต่ของที่ราคาบาทหนึ่งหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่เอานะนิสยัยเองไม่ใช่นิสยัยกิจอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะอย่างนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรานึกถึงนะว่าคือชีวิตของเราถ้าเรานึกถึงนิสัยสีนะ่เนาะนึกถึงนิสัยสี่เราก็บินธบาทเนาะก็ขออาหารเขาแล้วเนาะ เขไม่จําเป็นต้องใช้สตังอะไรอีกไม่จําเป็นต้องได้อะไรมากมายไปกว่านี้อีกไม่จําเป็นต้องไปหยิบหยบอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อีกต่างๆตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่การที่เอาของคนอื่นที่ไม่ได้เจ้าของเขาไม่ได้ให้เนาะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราฟังผ่านๆหูไปเนี่ยบางทีก็อาจจะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านๆหูแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาพิจารณากัน ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่ากิจอย่างนี้เป็นกิจที่ไม่ควรทำเพราะทำแล้วเศร้าหมองแน่นอนเศร้าหมองอย่างยิ่งด้วยนะอย่างนี้คือพุทธเจ้าบอกว่าสี่อย่างเนี้ยทำแล้วเศร้าหมองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เศร้าหมองอย่างเดียวนะเศร้าหมองในระดับแบบหนักๆไปเลยอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่านะอันที่สมก็เป็นเรื่องที่เรื่องการฆ่าคนนะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า การตัดโอกาสบรรลุธรรมของคนอื่นนะอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิง่งเพราะนั้นคือมันเป็นเรื่องที่ตัดโอกาสการบรรลุธรรมนะอย่างพวกเราก็มีกัลยาณมิตรนะเป็น อ, อาจารย์กําพลอย่างเงี้ยท่านเป็นคนท่านเป็นคนพิการเนาะนี่คือขนาดคนพิการเนาะพิการตั้งแต่คอลงไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอมพาสเนี่ยโอ้ชีวิตของท่านานั้นยังแบบว่า แบบว่าได้พูดธรรมะให้คนฟังเนี่ยเป็นย0สิปีหลังแบบว่าหมายถึงว่านี่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่เราอยากเราอยากคิดว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายบางทีฝรั่งเนี่ยเขาก็มีนะเขาเรียกว่าการุญยาฆาตก็คืออนุญาตให้แบบว่าช่วยให้คนอื่นตายตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ก็พุทธเจ้าเองก็แนะนําไม่ควรทำเนาะหรือว่าการอวดอุตตริมาเราเองเนี่ยบรรลุธทมแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะเพราะเป็นความเข้าใจผิดนะ <c oughs> ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเราเกิดไปมีตัวตนนะไปโอ้ไปอวดนะคนอื่นว่าเรารู้ดีเราบรรลุทำแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็ไอ้ความมีตัวตนตรงนี้ละเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเองก็บอกให้ละให้วางซะ วันนั้นกั่นคือตรงเนี้ยในคำสอนเนี่ยสองสามคำสอนไม่ใช่สองสาคำสอน4คํคำสอนที่ควรทำนะสี่กิจที่ไม่ควรทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสรุปเนาะพกใส่กระเป๋าไปไหนก็ได้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พอเวลาที่นึกถึงเนาะก็เรียกว่านึกถึง ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านที่เราได้พบเราได้เห็นนะหรือว่าอย่างพระเนี่ยเราก็จะเรียกว่าให้นับถือพันเตเนาะให้นับถือพันเตไปก่อนตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคนที่บวชก่อนเราเนี่ยแม่นิดเดียวเท่านั้นเองนะเราก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่บวชก่อนนะอย่างพระจันทร์สุรินทร์นะท่านก็บวชก่อนพรรษาเดียวกันใช่ท่านบวชก่อนปรากฏว่า สิ่งที่รับจากท่านมาเนี่ยก็ยังคงใช้อยู่ทุกวันนี้นะอย่างท่านเนะ่ยเริ่มมาเริ่มสอนก็คือแบบว่าพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตอนบายเนี่ยเราก็จะต้องมาสอนคลองจีบอลกันเย่างนี้นะก็ท่านก็จะสอนนะแบอบกว่าเวลาคลองจีบอนเนี่ยก็ให้แบบว่าเวลาม้วนเนี่ยก็ให้แบบว่าพาที่ม้วนอยู่ตรงเนี้ยอย่าแบบอย่าแหลมขึ้นมานะีอย่าบุ๋มลงไปนะ อย่า้ยแล้วท่านก็ทําให้ดูอย่างเงี้ยนะเราก็พบว่าการที่ท่านทําให้ดูก็สังเกตวิธีการจับวิธีการอะไรของท่านนะก็มั น, นะนไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่พอเวลาที่เหมือนกับเวลาที่บางทีความรีบร้อนเนาะเราก็สังเกตตัวเองเหมือนกันว่าบางทีความรีบร้อนเนะี่ยเวลาคลองจีบอลเนานะแล้วผ้ามันก็ไม่เสมอหน้ากันเวลาที่มวนผ้าเข้ามาเนี่ยมันบุ้มลงไปหรือมันแหลมขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวลูกบวบเนี่ยมันจะไม่แน่นนะ ถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนไปเนี่ยมันเกิดเป็นแบบนั้นเราก็ต้องคลองใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าโอ้เนียบางทีนะสิ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยนะ้อยเนาะมันเป็นสิ่งที่ประสบะการณ์ของท่านท่านก็ได้แนะนําเอาไว้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองเราก็รับมาอย่างเวลาที่บวชเนี่ยก็ตั้งใจนะตั้งใจว่าเหมือนกับว่าให้กลายว่า เรื่องพันเตเนาะในนาทีแรกที่โบสปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รับคำสอนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยก็ตั้งใจก็ตั้งใจว่าก็ใครๆต่างๆนานาเหล่านี้เราก็จะดูพวกเราเองอยู่ในเมืองอันนี้อันนี้อันนี้กล่าวกับว่าพวกเรานี้ก็หมายถึงว่าคนอยู่ในเมืองนะเวลาที่เราจะ นั่งกับพื้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนั่นนั่นคือการนั่งพระเพียบการนั่งคัสสมาต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยกันเวลาที่มาอยู่ในเขาเรียกว่ามาอยู่ในการทำพัดเชา้ารำพัดเย็นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะก็เรียกว่าพระรูปอื่นๆเนี่ยก็นั่งกันก็ได้สังเกตรครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านนั่งพระเพียบเนี่ยท่านก็จะพับเท้าเนาะพับเท้ากามา หลวงพ่อเขเขียนบอกว่าหลวงพ่อเขเขียนนะท่านจะบอกว่าเวลาที่นั่งกันเป็นแถวอย่างเงี้ยเวลาที่เรานั่งปะเพียบเนี่ยอยากเอาขาเนี่ยด้านที่เราโชว์ฝ่าเท้าเนี่ยออกมาทางออกมาทางพันเตออกมาทางครูบาอาจารย์ให้เรานั่งให้เรานั่งเอาด้านที่ฝ่าเท้าโชว์ออกมาเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งเนาะอย่างเงี้ย อันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นนเะมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ท่านจะนั่งแบบนี้นะพันเต้ทั้งหลายแหละที่ที่เราเห็นท่านก็จะนั่งแบบนี้กันอย่างเนี้ยนะอย่างนั้ น, น, น, นแล้วก็ที่สังเกตเห็นก็คืออย่างฝาเท้าเนี้ยท่านก็จะไม่ตั้งฉากกับตั้งฉากกับนักแข่งเนาะอย่างเนี้ยพราะเราสังเกต น, นะพอเวลาที่นั่งฝาเท้าตั้งกับตั้งฉากกับนักแข่ง สันหลังเราจะคดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพับเท้าเก็บเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยสันหลังเราจะตรงตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เวลาที่เห็นอย่างนี้นะก็เราก็โอนี่นะก็ท่านก็สอนนะอย่างครูบาอาจารยนะ์เนอย่างหนุงพ่อจรันเนี่ยก็เคยบอกว่าพวกมดพวกแมงเนี่ยอย่าไปฆ่าเขานะคือเนี่ยเขามาสอนทำเราอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ย คืบางทีใช่ไหมมดปลวกนะหรือว่าไม่งั้นมดที่มากัดเรายุงที่มาตอมเราอย่างเงี้ยเราก็จะลาคานไอ้การลาคาญก็งเรามันก็จะกลายไปเป็นความโมโหนะแล้วท้ายที่สุดก็กลายเป็นลังสีอมะหิดฆ่าฟันกันอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันก็จากนิดๆหน่อยๆเนี้ยมันก็กลายไปเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ว่าเรื่องที่ใหญ่ตรงนี้เนี้ยมดยุงมันตัวเล็กนะเราก็ไม่รู้สึก อยราะนั้นก็คือการตบยุ่งครั้งหนึ่งเรวยอตอนนั้นนะเราก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าเขาเป็นครูสอนธรรมเนี่ยบางทีการที่เราลองใจเย็นๆแล้วก็ลองดูตรงดูลองเรียนรู้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ในตอนที่บวชเนี่ยที่วัดเราก็จะมีหลังพึ่งเยอะนะจะสังเกตว่าในตอนเย็นๆประมาณสักสามโมงเย็นไปแล้วเนี่ย พึ่งเนี่ยเขาจะมาตอมเราก่อนหน้านั้นจะไม่มีนะก็จะไม่มาตอมแต่เพราะพอตอนเย็นๆเนี่ยจนถึงผพบเพลผู้พเพลงเนี่ยเขาตอมเสร็จแล้วเขาก็จะไปนะตอนนั้นหมายถึงว่าช่วงเวลาการตอมไม่นานนะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยที่เขามาตอมเนี่ยเขาจะไม่มาตอมตามแขนตามขานะครับแต่ว่าเขาจะมาตอมตามหัวเราในหูเราอย่างเนี้ยคือ เท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็เขาจะมาเอาไขมันนะพวกไขมันที่ที่มันอยู่ตามหัวเราเวลาที่เราจับจับหัวเราเนี่ยหัวเราจะเป็นน้ำมันน้ามันนนะในหูมันจะมีพวกขี้หูพวกอะไรต่างๆตรงเนี้ยเขาก็จะมาเอาเขี้ยวเขานะฮะมาขุดขูดขดขู ด, ข ด, ข ด, ข ด, ขดเอาเอาไขมันตรงเนี้ยเป็นสร้างหลังเขาคือจริงๆอ่ะ พวกเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจกัดเรานะที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมากัดมาต่อยไม่ต้องไม่ต้องให้เลยป้องกันตัวเลยปล่อยให้เขาเนี่ยลองดูเขาก็มาอาศัยเท่านี้แหละใช่ไหมฮะอย่างนั้นเขาก็เห็นเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะก็เขาเห็นเราเหมือนดอกไม้อย่างนี้นะอย่างนั้นดอกไม้ก็ก็ดูดน้ำหวานใช่ไหมพอขี้ใครจากคนขี้ใครเหงือ่อขี้ใครอะไรต่างๆเขาก็เอาไปทํารังเขาแบบนี้ตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านี่ก็ครูบาอาจารย์เนาะ ก็สอนนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาที่เราเนี้ยเห็นเนะเาะก็เรียกว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เนาะทำอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยเรารับเอาสิ่งดีๆเขาเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็ปลอดภัยนะชีวิตเราก็เหมือนกับว่าเลือกทําแต่สิ่งดีๆทําไมควครคบกับบัณฑิตเนาะก็เพราะแบบนี้นะเพราะว่า เวลาเนาะสมมุติถานว่าเราเอาเวลาที่เรามีเนี่ยคบกับบัณฑิตกับคบคนที่ไม่เป็นบัณฑิตนะไม่ใช่บัณฑิตนี่ไม่ได้หมายถึงวจบการศึกษาสูงสูนะแต่หมายถึงคนที่นิ ส, สัยดีๆคนที่ทําแต่เรื่องดีดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเสียเวลากับคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะไม่ได้มีมรคผลเป็นแก่นสารเนี่ยนะที่พระจันทรย์สุรินภาสวดเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีมรคผลเป็นแก่นสารเนาะเราก็อาจจะคบเลคบเทอะเลื่อยไป แต่ถ้าเกิดว่าเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารเนี่ยตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตว่าชีวิตเราเนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นฐานตำรวจแต่ว่าหนั่นคือชีวิตเราเนี่ยขอให้ชีวิตเราเนี่ยมีทุกน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกในที่สุดชาตินี้ได้ก็ดีอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงว่ามรรคผลของชีวิตนะอย่างเงี้ยนีถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายของชีวิตเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่หลวงพ่อขุนเขียนบอกนะหลวงพ่อเขียนบอกว่า ชีวิตนี้ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สนใจเรื่องอื่นมากไปกว่าทํำยังไงให้ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะพอหลวงพ่อสรุปให้เป็นแบบนี้เนี่ยไอการดิ้นรนทําอะไรต่างๆน า, นานาของเราตรงนี้เนี่ยก็ให้เราดิ้นทนดิ้นรนเนี่ยเพื่อที่ว่าจะทําให้ชีวิตเราไม่ทุกข์มันก่อนพระเจ้าสุลินก็เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องอสมุไรเนาะที่เขาขุดอุโมงค์ ขุดอุโมงเกือบกีิโลนะก็เก้า้อยกว่าเมตรก็ในขณะที่บอกว่าเขาใช้เวลา38ปีในการขุดนะก็เวลาที่พระอาจารย์สริน <c oughs> ขอไป <c oughs> พระอาจารย์สุรินเล่าไปก็นึกคำนวณอยู่ในใจว่าเก0เมตรเนี่ย วันนึงเนี่ยเราจะต้องขุดสักกี่เซนก็คำหนณได้ว่าเราจะต้องขุดเนี่ยประมาณสองตารางฟุตนะฮะแล้วก็ให้ลึกหนึ่งเซนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำสองตารางฟุตลึก1เซนเนี่ยสามสิบปดปีเนี่ยก็จะได้ประมาณเก้าร้อเมตรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสามสิบแปดปีนะเราเพียรที่จะทําความดีนะตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่า มันก็เสร็จนะก็เรียกว่ามันเสร็จเป็นวันๆนนะเราเนี่ยอยู่กับการอย่างที่นึกถึงภาพนะสมุไรเนาะก็ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นอะไรมากมายนะทเรื่องเดียวนี่แหละทาเรื่องดีๆเรื่องเดียวเนี่ยทด้วยความหวังนะความหวังดีกับคนอื่นทําได้เมตตาจิตต่อคนอื่นอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ดี แต่ว่าตรงนั้นอะสิ่งที่เราทำเนี่ยทำแต่ละวันแต่ะวันไม่ใช่เหนื่อยเปล่าเปล่าเลยนะมันเป็นคุณงามความดีที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรที่มันไม่ควรทํามาทํำอะ่ะนะนั้นคือการทำดีดีเนี่ยปรากฏว่าสำรวจคนนั้นก็ขุดอุโมงค์เนี่ยลึกไปนะเป็นเกือบกิโลตรงเนี้ยเสร็จเนาะอย่างนั้นแต่ว่าทํานองเดียวกันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราต้องรอให้เหมือนกับว่าโอ้โห38ปีถึงเสร็จแต่ว่านั่นคือ สมุไรเองก็เหมือนกับว่าได้ตัดตัวเองนะออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ได้ไปคบคนพาลที่ไหนนะทำแต่เรื่องดีๆเพราะนั้นนั้นคือชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งคนที่ตามมาฆ่าเนี่ยก็มาดูเอ๊ะคนนี้ทําอะไรใช่ไหมก็ยังสังเกตโอ้นี่นะเขาแบบว่าเวลาที่เขาทาเขาวางกายวางใจแบบนี้นะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ท้ายสุดที่ตั้งใจมาฆ่าก็ ยอมรับเป็นก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานนี้ก็ไปสกัดหินเป็นสกัดหินเพาะเนื่องจากว่ากําลังก็เรียกว่าทําพื้นที่เสาอโศกนะที่ว่าวันที่สิบห้านี้จะบรรจุอัธิหลวงพ่อที่วัดปุกขอทองมันก็มีการเท ป, ปูนมีการเท ป, ปูนที่ก็เรียกว่า ใหญ่เกินไปบ้างแล้วก็ต้องสกัดออกอะไรต่างๆตรงเนี้นะก็ได้ลองจับสิวจับคอนดูนะแล้วก็ได้ทําตามที่พระจันทร์สุรินบอกนะปรากฏว่าพอเวลาที่เรานึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์เนาะอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็สอนบอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติรมเนี่ยให้เราวางกายคลายให้วางใจกลางๆนะใช่ไหมอย่างนี้การจับสิวจับคอนที่จะไปสกัด ซีเมนเนี่ยก็ก็เรียกว่าก็ถือเป็นงานหนักเนาะถือเป็นงานหนักแต่ว่าพอเวลาที่เราลองนะลองวางกายคลายลองวางใจกลางๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ลองเทียบกับพวกหลวงพี่ที่ที่มาช่วยอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยพอเวลาที่หลวงพี่เขาจับค้อนจับสิวนะแล้วก็ตอกเนี่ยเขาก็ ไม่ไม่ค่อยไม่ได้พิจารณาการวางกายกลายๆลางวางกายวางใจกลางๆ ก, mm hmm. ก็ปรากฏว่าการที่เขาตอบคอนไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะแต่พอเวลาที่เราลองเอาคําสอนเนี่ยมาใช้เนี่ยปรากฏว่าโอ้สิวนะก็กินหินดีดีนะเวลาที่เราเห็นหลวงพี่ก็ทําใช่ไหมก็ปรากฏว่าเออสิวนี่มันเป็นยังไงก็นึกอยู่ในใจนะว่ามันเหมือนกับสิวมันไม่คมหรือเปล่า คาตอกไปนะก็เหมือนกับเขาก็ใช้แรงพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ผลแต่พอเวลาเราลองจับนูแล้วก็ลองทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยตรงนี้ปรากฏว่าสิวเนี่ยกินซีเมนดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงมากด้วยนะแล้วปรากฏว่าก็เห็นนะเห็นรอยของสิวเนี่ยที่ตอกตอก ต, อกตอกลงไปเนี่ยก็แบบสวยนะก็ <c oughs> ถือว่ามันเป็นหน้าที่ดีแล้วก็นึกถึงที่พระจ้าสุรินเล่าให้ฟังโอ้นี่นะวันวันหนึ่งเนี่ยทำสองตารางฟุตเนี่ยลึกลงไปเซนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะว่าตรงนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนเนาะก็จะเป็นการสอนที่เรียกว่าเป็นการสอนที่ท่านก็สรุปเนาะให้เราเนาะ อย่างที่หลวงพ่อสรุปให้เราทำเรื่องดีนะหันหลังให้เรื่องไม่ดีนะหันหลังให้ความชั่วซะแล้วเราก็มุ่งหน้าทำดีถ้าหากว่าชีวิตเราเนี่ยได้ทำแบบนี้เนี่ยการที่เราตั้งใจที่จะเจริญสติกันมีเวลาที่อยู่ที่วัดเท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจเท่านั้นแล้วก็หลวงพ่อเขียนก็ดีหลวงพ่อเทียนก็ดีก็ยังบอกว่ากรรมฐานอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้ด้วย เราจะอยู่ที่วัดก็ดีไม่ได้อยู่ที่วัดก็ดีเนี่ยตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถเอาออกไปใช้หลวงพ่ะเทียนก็บอกบอกว่าให้เราอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นคือเคลื่อนไหวทีก็นึกถึงเนาะเขาเรียกว่าอยากเคลื่อนไหวฟรีๆแต่ว่าให้เราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปคอยรู้สึกไปกับกายการที่เราคอยรู้สึกไปกับกายเนี่ยจิตของเราก็จะมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหว จิตที่มาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยจิตของเราใจของเราก็จะไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดความทุกข์เราก็หมดไปตรงเนี้นะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พกความไม่ทุกข์พับความไม่ทุกข์ให้เราเนี่ยได้พกติดกระเป๋าไปติดตัวไปนะอย่างนี้ตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องรอว่าเออย่างไงเนาะ จช่หมอย่างนั้นไม่ใช่ว่าต้องรอ38ปีอุโมงถึงจะเจาะทะลุเสร็จนะหรือว่าจะรอว่า38ปีถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรไม่ใช่แต่การบรรลุก็คือการที่เราเนี่ยได้ขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางสายที่ทําแต่คุณงามความดีตรงนี้เนาะแล้วก็ทําคุณงามความดีกับอะไรกับเรื่องราวที่เรากินอยู่หลับนอนตรงนี้ละเนาะอย่างนั้นนะอย่างเวลาที่ เวลาที่ก็เรียกว่าสวดมนต์เนี่ยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเวลาที่เราได้สวดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ค่อยๆพิจารณาเนาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำสอนทั้งหมดนะโดยส่วนตัวก็เวลาที่สวดสวดมนต์ก็จะเหมือนกับว่าได้ ได้ลองดูนะได้ลองดูจิตดูใจของตัวเองเนี่ยการออกเสียงของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งตรงนี้เนี่ยบางทีก็ออกเสียงด้วยความไม่แน่ใจบางทีก็ออกเสียงด้วยความเป็นมีตัวมีตนเนาะบางทีก็ออกเสียงด้วยความที่เรามีสติที่ดีตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวของเราเนาะแต่ละความเคลื่อนไหวจะเป็นลิ้นเป็ imagine, นฟันจะเป็นตาตาหนาๆเหล่านี้เพื่อที่จะส่งเสียงออกมาเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราได้เอาตาวิเศษนะที่หลวงพ่อก็เขียนบอกมาไว้ของวิเศษของที่นี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นของวิเศษที่เป็นมีมีมอยู่ในตัวเรานี่แหละตาวิเศษก็คือตัวสติตัวเนี้ยนะมาคอยดูมาคอยดูกายมาคอยดูใจตรงเนี้ยเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วก็ตรงเนี้ย หัดสิ่งดีๆตรงนี้ให้เป็นนิสยัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตของเราก็จะเหมือนกับเดินอยู่บนเส้นทางที่เขาเรียกว่าไม่มีความทุกข์แล้วก็ตรงเนี้ยปลายทางเนี่ยเนาะชีวิตของเราก็จะพบกับโลกุตตะละเนาะที่เป็นโลกที่เขาเรียกว่าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจใครจะทำอะไรก็ไม่เศร้าไม่หมองวันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็ขอให้ตรงนี้เรื่องการปฏิบัติตรงนี้ก็ เป็นจุดหมายเพื่อให้พวกเราเนี่ยไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนก็กลับพ ร, พร้อมกัน